องหกแห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัยข้อ104ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์6จะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้คือ 1. ไม่ประกอบด้วยศิลัขันอันเป็นอเศัข่าสไม่ประกอบด้วยสมาธิขันอันเป็นอาศัข่าสไม่ประกอบด้วยปัญญาขันอันเป็นอาศัข่าสไม่ประกอบด้วยวิมุติขันอันเป็นอาศัยข่าหไม่ประกอบด้วยวิมุติยานทัศนคัน์อันเป็นอาศัข่า หกมีพรรษาหย่อนห้าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หกเหล่านี้แลจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้วงเล็บหนึ่ง